คำว่าไม่ทำสัตว์สังขารว่าเป็นที่รักไม่ทำสัตว์สังขารว่าเป็นที่ชังความว่ามุนีไม่ทำสัตว์สังขารว่าเป็นที่รักด้วยสามารถแห่งความกำหนัดว่าสัตว์นี้เป็นของเราและสังขารนี้เป็นที่ชอบใจของเราและไม่ทำสัตว์ตะสังขารว่าเป็นที่ชังคือด้วยสามารถแห่งความขัดเคืองว่าสัตว์นี้เป็นที่ชังของเราสังขานี้ไม่เป็นที่ชอบใจของเราคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ทําสัตตสังขารว่าเป็นที่รับไม่ทําสัตตสังขารว่าเป็นที่ชังกันะก็คนคนเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ดีนะเขบอกว่าเลิกรักซะในขณะเดียวกันก็ทําตัวชังไปเลยไม่ใช่นะเลิกชอบแต่ก็ไม่ชังเอาสิทำใจได้ยังไงนะท่านจะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ล้วนนั่นแหะจึงจะทําอย่างนั้นได้ถ้ายังไม่แทงตลอดพระนิพพานมันก็อดไม่ได้นะไม่ชอบก็ชังอ่ะสองอย่าง ไม่ชอบก็ชอบก็อภิชาใช่ไหมชังก็โทมนัสเนี่ยนะก็ไม่ชอบกว่าชังไม่ชังก็ชอบอยู่ท่านนั่นแหละแต่เมื่อเจริญสติปัฏฐานอนุปัสนาแทงตลอดพระนิพพานนู่นแหละจึงจะเลิกชอบและเลิกชังคําว่าความครําครวญและความหวงแหนไม่ได้มีแก่มุนีนั้นเหมือนน้ําไม่ติดในใบบัวฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจะไม่ครําครวญกับอะไรสักอย่างเลยนะโดยที่สุดพระ พ, พ, พระอรหันต์เนี่ยนะ ท่านจะไม่ร้องให้โดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานเอาท่านจะไม่ไปคร่ำครวญเห็นบไม่พาอาหารไปคร่ำครวญอะไรอาวรพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีเนี่ยนะเพราะพาอาหารท่านไม่คร่ำครวญแต่ขณะเดียวกันท่านก็ไม่ตรนีด้วยคําว่าความคร่ำครวญก็คือความเพ้อถึงความคร่ำครวญกิริยาที่เพ้อถึงกิริยาที่คร่ำครวญความเป็นผู้เพ้อถึง ความเป็นผู้คร่ำครวญความพูดเพ้อความบ่นเพ้อความพร่ำเพ้ออาการที่พร่ำเพอกิริยาที่พร่ำเพ้อความเป็นผู้พร่ำเพอของชนผู้เสื่อมจากญาติโภคะเสื่อมเพราะโรคเสื่อมเพราะศีลเนี่ยนะเสื่อมเพราะทิฏฐิประจบเข้าความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าความคร่ำครวญนะนะประจบกับความคร่ำครวญก็พร่ำเพ้อส่วนความหวงแหนก็คือตรณี5้าอย่างตระนีที่อยู่ตระนีสกุลตระนี่ลาบตระนีวัณณะตระนีธรรมะ ความตรณีกิริยาที่ตรณีความประพฤติตรณีความเป็นผู้ปรารถนาต่างๆความเหนียวแน่นความเป็นผู้มีจิตหดหูจิตเจ็บร้อนในการให้ความที่จิตอันใครยๆให้เชื่อถือไม่ได้ในการให้เห็นปานนี้เรียกว่าความตรณีอีกอย่างหนึ่งความตรณีขันตรณีท่าตรณีอายตนะก็เรียกว่าความตรณีนะนะมูนีเนี่ยไม่ติดนะคําว่าไม่ติดก็คือไม่ติดเหมือนน้าไม่ติดในใบบัวฉะนั้น ความว่ า, า, วามมตนีธรรมะก็ตนีประยัดหน่ยรู้อะไรก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้อนะปกปิดซ่อนเร้นนะไม่อยากบอกไม่อยากสอนไม่ใช่ตนีหมายถึงว่าตนีธรรมะก็คือเช่ชตชนตัวเองมีความรู้ก็ไม่อยากสอนคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้เท่าตัวเดี๋ยวเขาจะรู้ดีกว่าตัวเป็นต้นอนะนะปกปิดซ่อนเร้นไม่ยอมบอกใครเลยนี่เรียก ว, ว่าตนีธรรมะ คำว่าไม่ติดเหมือนน้ำไม่ติดในใบบัวความว่าใบปทุมเรียกว่าใบบัวน้ำเรียกว่าวารีความคล่ำครวญและความตรนีย่อมไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดคือย่อมเป็นของไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดในมู้นีนั้นคือในบุคคลผู้เป็นพระอรหันตะขีนาศเหมือนน้ำไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดคือเป็นของไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดในใบบัวฉะนั้น และบุคคลนั้นย่อมไม่ติดไม่เข้าไปติดพร้อมไม่เข้าไปติดคือเป็นผู้ไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดเป็นผู้สละออกไปสละเสียแล้วพ้นขาดแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วด้วยกิเลสเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตกระทำให้ปราศจากเขตแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าความคร่าครวญและความหวงแหนย่อมไม่ติดในมุนีนั้นเหมือนน้าย่อมไม่ติดในใบบัวฉะนั้น สรุปคาถาว่ามูนีไม่อาศัยแล้วในสิ่งทั้งปวงคือไม่อาศัยในขันอายตนะธาตุด้วยอำนาจตันหาทิฐิเลยไม่ทําสัตว์และสังขารว่าว่าเป็นที่รักไม่ทําสัตว์และสังขารว่าเป็นที่ชังความขรําครวญและความห่วงเหนม่ได้ติดในมุนีนั้นเหมือนน้ําไม่ติดในใบบัวฉะนั้นไม่ติดไม่คล้องอะไรเลยแล้วก็คาถาต่อไปว่าหยาดน้ําไม่ติดในใบบัว วารีย่อมไม่ติดในดอกบัวฉันใดมุนีไม่เข้าไปติดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รู้ฉันนั้นอ่นอานะใครว่าน้ําไม่ติดในใบบัวใช่ไหมวารีไม่ติดในดอกบัวเนี่ยนะดอกบัวก็ไม่เปื้อนน้าใบบัวก็ไม่เปื้อนน้ามุนีก็ไม่ติดกับทุกอารมณ์คําว่าหยาดน้ําไม่ติดในใบบัวความว่าหยาดน้ําท่านเรียกว่าหยาดน้ําใบปทุมเรียกว่าใบบัวหยาดน้ําย่อมไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติด คือเป็นของไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดในใบบัวฉันใดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าน้ําไม่ติดในใบบัววารีย่อมไม่ติดในดอกบัวฉันใดความว่าดอกประทุมเรียกว่าดอกบัวน้ําเรียกว่าวารีวารีไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดคือเป็นของไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดในดอกบัวฉันใด เพราะนั้นวารีย่อมไม่ติดในดอกบัวฉันใดมุนีก็ไม่เข้าไปติดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่ทราบฉันนั้นอันเห็นดอกบัวเมื่อไหร่ก็นึกถึงผ้าหันได้เลยว่ผาผ้าหันไม่ติดในทุกอารมณ์เหมือนน้าไม่ติดกับไม่ติดในดอกบัวเนี่ยนะน้ไม่ติดในดอกบัวใบบัวเนี่ยนะนนบบนยนะันมุนีก็คือผู้มียาเนี่ยไม่ติดในอารมณ์ทุกอารมณ์ด้วยอำนาจตัหาและทิฐิเพราะ มุนี้นั้นละความติดด้วยตัณหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิเสียแล้วย่อมไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดคือเป็นผู้ไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดเป็นผู้ออกไปสละเสียแล้วพ้นขาดแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รู้อารมณ์ที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นเป็นผู้กระทําจิตให้ปราศจากเขตแดนกิเลสอยู่มันกิเลสไม่เข้าไปแทรกในทุกอารมณ์งหมนมันท่านไม่ติดเหมือน อนนะไม่ติดในทุกอารมณ์เหมือนน้ำไม่ติดในใบบัววารีไม่ติดในดอกบัวฉันใดมูนีย่อมไม่เข้าไปติดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รู้ฉันนั้นนะคาถาต่อไปว่าพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่ทราบพระอรหันต์นั้นย่อมไม่ปรารถนาความหมดจดด้วยมรรคอื่น ย่อมไม่กำหนัดและก็ย่อมไม่คลายกำหนัดเนี่ยนะท่านไม่กำหนัดแบบปุตุชนแต่ก็ไม่คลายกำหนัดแบบพระเสกขะเพราะท่านสิ้นความกำหนัดโดยประการทั้งปวงบอกว่าพระหันเป็นผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบความว่าคำว่าโทนะคือปัญญาเนี่ยนะ ปัญญาชื่อว่าโทนาได้แก่ความรู้ความรู้ทั่วความรู้พร้อมความรู้ชัดเป็นต้นนะนะความไม่หลงความเลือกเฟ้นความเห็นชอบถามว่าเพราะเหตุไรปัญญาจึงชื่อว่าโทนาเพราะว่าปัญญานั้นอ่ะเป็นเครื่องกําจัดเครื่องล้างชําระสักฟอกซึ่งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดเครื่องล้างชำระสักฟอกราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบลูตีเสมอ ปัญญานี่เป็นเครื่องกำจัดเครื่องล้างเครื่องชำระเครื่องซักฟอกความริษยาความตรณีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทปัญญานี่แหละเป็นเครื่องชำกำจัดชาระล้างซักฟอกกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกยทั้งปวง ความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอากุศลาพิสังขารทั้งปวงอ่ะ น, นะันปัญญานี้จึงชื่อว่าโทนานปัญญาเนี่ยเป็นตัวชำระบาปอากุศลกิเลสทุกชนิดเหนสัมมาทิฐิชื่อว่าเป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกมิจฉาทิฐินะติดตั้งเครื่องซักผ้าใช่ไหมชักล้างอะไรของสกปรกนะอันนี้ก็เหมือนกันสัมมาทิฏฐิก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกมิจฉาทิฐิ สัมมาสังกประนะก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกมิจฉาสังกประสัมมาวาจาก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกมิจฉาวาจาสัมมากัมมันตะก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกมิจฉากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เป็นเครื่องกำจัดล้างซักฟอกซึ่งมิจฉาอาชีพสัมมาวายมะก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกมิจฉาวายมะ ส, ส, pues สัมมาสต cool ิก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาสติสัมมาสมาธิก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาสมาธิสัมมาญาณะก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาญาณะสัมมาวิมุตก็เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาวิมุตตเนอีกอย่างหนึ่งอริยมรคมีองค์8ดเป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งจิเลธทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความ กวนก歪ทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาพิสังขารทั้งปวงนะาาระผรหันเนี่ยท่านฟอกบาปอากุศลได้ทุกชนิดแกเรายิ่งว่าเครื่องฟอกอากาศดี ก, กันนะผ้าหันเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้าไปชิดเข้าไปชิดพร้อมด้วยธรรมะทั้งหลายอันเป็นเครื่องกําจัดเหล่านี้ก็คือเครื่องกําจัดก็คืออะไรก็คือพวกปัญญา สมมติธรรมสิบอริยมรรต์อันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระาหันเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นผู้กำจัดราคะบาปกิเลสความเร่าร้อนเสียแล้วเพราะฉะ น, นั้นพระาหันจึงชื่อว่ามีปัญญาเป็นเครื่องกำจัดนะกำจัดกิเลสอกุศลทุกชนิดนั่นเองพระาหันนี้เป็นผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบความว่าพรหันเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดไม่สำคัญซึ่งรูปที่ได้เห็น ย่อมไม่สําคัญในรูปที่เห็นย่อมไม่สําคัญในรูปที่เห็นย่อมไม่สําคัญว่ารูปเราเห็นแล้วคือไม่สําคัญด้วยอํานาจตันหาทิฐิในรูปในสีที่เห็นเนี่ยนะในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นที่รู้ในอารมณ์ที่ทราบในอารมณ์ที่รู้แจ้งอ่ะทุกอารมณ์เลยอ่ะพระอรหันต์ไม่มีตันหามานะและทิฐิกับทุกอารมณ์นะเพราะฉะนั้นที่ท่านไม่มีตันหากับทุกอารมณ์เพราะท่านเจริญทุกขานุปัสนาอย่างบริบูรณ์ ท่านไม่มีมานะกับทุกอารมณ์เพราะท่านเจริญอนิจจานุปัสสนาอย่างบริบูรณ์ท่านไม่มีทิฐิกับทุกอารมณ์เพราะว่าท่านเจริญอนัตตานุปัสสนาอย่างบริบูรณ์เมื่อท่านเจริญอนิจจาทุกขาอนัตตาจนบริบูรณ์นิพพิธานุปัสสนาเป็นต้นของท่านจึงบริบูรณ์เพราะฉะนั้นทุกอารมณ์ท่านน้อมไปเพื่อเข้าพระสมาบัติได้หมดนั่นแหละเพระนั้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายปุถุชนได้สําคัญว่าเรามีอยู่ ว่าเราย่อมไม่มีว่าเราจักมีว่าเราจักไม่มีว่าเราจักเป็นสัตว์มีรูปว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูปว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาว่าเราจักเป็นสัตว์ที่มีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่คือปุตตุชนเนี่ยนะสำคัญด้วยอานาจตันหามานะทิฐิยึดถือขันนะว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา เป็นต้นเนี่ยนะก็เลยสําคัญว่าเออเราเนี่ยมีเราจักมีเราจักไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็คิดไปนะเหมือนของเราเนี่ยแหละคิดนะชาติหน้าเราจะไปอย่างนั้นอย่างั้นอยงั้นก็ด้วยอํานาจของอะไรด้วยความสําคัญด้วยอํานาจตันหาเป็นต้นนั่นแหละและปุถุชนได้สําคัญว่าเป็นดังโรคไอตัวความสําคัญเนี่ยนะเป็นเหมือนโรคเป็นเหมือนฝีเป็นเหมือนลูกศรเป็นอุบาทไอตัวตันหามนต์ทิถีไอตัวความสําคัญเนี่ยนะ เลวมากเลยนะตัวโรคตัวฝีตัวลูกศรแล้วก็ตัวอุบาทอ น, นะก็ตัวจังไรนะนะั่นแหละเอ๊ะว่าไปว่ามาก็ว่าความคิดของเราเนี่ยมนะันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสิ่งที่เราคิดเนี่ยนะคำว่าไม่ค่อยดีจริงๆมันไม่ดีหรอกนะนะแต่ว่ารักษาน้ําใจกันบ้างก็เลยว่าไม่ค่อยดีแต่จริงๆมันเลวมา ก, ก น, นะนะดูการพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้มีจิตไม่สําคัญอยู่เธอทั้งหลาย เพิ่งศึกษาอย่างนี้แหละคือไม่สําคัญในขันห้าว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราให้ศึกษาไว้อย่างนี้นะนะให้ศึกษาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถามว่าให้รู้ขันห้าว่าเป็นยังไงให้รู้ขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเราได้ยินคํานี้ใช่ไหมแต่เราเห็นอย่างไง้หมไม่เห็นเพราะเราไม่เจริญนะเราสำคัญว่าตาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ะนะ แต่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไหมล่ะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไหมลืมตาเออเนี่ยตัวทุกข์ลืมตาแล้วทุกข์ได้ยินเสียงเนี่ยทุกข์รู้กลิก่นทุกข์รู้รสทุกข์รู้โพธพภะทุกข์เนี่ยนึกคิดนะไอตัวความทุกข์มันคิดได้ไห ม, ไหมนะไอตัวโรคมันคิดได้ตัวฝีมันคิดได้ตัวลูกศรมันคิดได้เนี่ยนะสําคัญแบบนั้นหรือเปล่าถ้าสําคัญแบบนั้นก็มีเขาแหละนะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ก็สอนอ่านะตะไคดบดจบแล้วจะไปเห็นแบบนั้นละนะสาธุให้นะ ยังไงยังไงก็พัดเพียนกับมัจจุราชไว้ให้อยู่เน้อ <c oughs> คำว่าพระาหันย่อมไม่ปรารถนาความหมดจดด้วยมรคอื่นความว่าพระาหันผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดย่อมไม่ปรารถนาไม่ยินดีไม่ประสงค์ไม่รักไม่ชอบใจซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบด้วยมรคอื่น น, นะเนี่ยคือพาหันเนี่ยท่านไม่ไปแสแวงหาข้อปฏิบัติอันอื่นหรอก คือด้วยมรรคอันไม่หมดจดท่านไม่สแสวงหาข้อปฏิบัติที่ทําให้ไม่หมดจด น, นะด้วยปฏิปทาผิดด้วยทางอันไม่นําออกจากทุกข์ข้อปฏิบัติที่ไม่นําออกจากทุกข์คืออะไรคือข้อปฏิบัติที่เว้นจากสติปัญญานสัมมัปัญญาอิทธิบาทอินทรีย์พะละโพชงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนะข้อปฏิบัติใดที่ไม่เป็นไปตามหลักโพธิปักขิยธรรมข้อปฏิบัตินั้นนะไม่ได้นําออกจากทุกข์อย่างแท้จริง อันพระอรหันเนี่ยท่านไม่ได้แสวงหาข้อปฏิบัติแบบนั้นพระอรหันย่อมไม่กำหนัดและไม่คลายกำหนัดความว่าพาระปุตุชนทั้งปวงย่อมกำหนัดพระอริยบุคคลผู้เสขะทั้งปวงตลอดจนถึงกัลยาณปุตุชนย่อมคลายกำหนัดส่วนพระอรหันย่อมกำหนัดหาไม่ได้ย่อมคลายกำหนัดหาไม่ได้เนีย่ยนะเพราะพระอรหันนั้นคลายกำหนัดแล้ว เพราะเป็นผู้ปราศจากราคะโดยราคะสิ้นไปแล้วเพราะเป็นผู้ปราศจากโทสะโดยโทสะสิ้นแล้วเพราะเป็นผู้ปราศจากโมหะโดยโมหะสิ้นแล้วพระอรหันต์นั้นอยู่จบแล้วมีจารณะประพฤติแล้วเนี่ยนะการคุณธรรมโดยประการทั้งปวงก็บริบูรณ์ในในพระอรหันต์เนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ไปด้วยอํานาจอาริยมรรคเห็นพระนิพพานตรัสรู้ธรรมอ่าโดยประกา WOW รทั้งปวงเนี่ยเพราะฉะนั้นพบใหม่ไม่ได้มีแก่ท่าน จึงเชื่อว่าพระอรหันนั้นย่อมไม่กําจัดย่อมไม่คลายกําหนัดพระอรหันนี่ย่อมไม่กําหนัดและย่อมไม่คลายกําหนัดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระอรหันผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดกําจัดสมุทัยสัตว์ทั้งหมดนะนะไม่สําคัญด้วยอํานาจตันหาทิฐิในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบพระอรหันไม่ปรารถนาความหมดจดด้วยข้อปฏิบัติผิด ท่านไม่กำหนัดและก็ไม่คลายกำหนัดเพราะท่านสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะได้โดยประการทั้งปวงอนะอันนี้ก็เป็นข้อความในชลาสูตรที่ที่6กเนี่ยนะนะก็นับว่าเป็นพระสูตรที่ควรเอาไปตรึกเอาไปพิจรารณาเอาไปคร้ครวนเป็นอย่างมากนะกล่าวถึงความเป็นไปแห่งชีวิตเนี่ยนะนะและก็ ก, การตัดฉันทราคะตัดตันหาจากชีวิตนี้ให้ได้ เพราะว่าผู้ที่ทำได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องมาชราอีกต่อไปเนี่ยนะไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายนั้นก็เป็นพระอรหันนั่นเอง